ขอความจเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าไรแต่ร่วมปปุตติยานกำลังนําเสนอเรื่องปฏิจจสมุปบาทมาตามลําดับมาถึงจุดที่ปฏิจจสมุปบาทกับขันหานการพูดปฏิจจสมุปบาทกับขันหานนั้นมันไม่ได้เหมือนกับพูดในแง่ของภาวจักรคือภาวจักนั้นเราต้องพูดทั้งสองด้านคือการดับภาวจักรแล้วก็การเกิดของภาวจักร แต่ว่าขันห้านั้นเตนโลกิยะเพราะเราจึงพูดสายเดียวก็พูดถึงสายเกิดก็ได้แก่กลุ่มสมุทัยกับกลุ่มทุกแต่พอสมเคราะห์แล้วมันก็กลายเป็นขนันห้าแต่ทีนี้เราคลิกด้านหนึ่งขึ้นมาเนี่ยมันก็กลายเป็นกลุ่มนิโรกกลุ่มมัดคือเป็นปฏิจจสมบัติสายดับเ็าเรียกว่านิโรธวานกัสายดับ เป็นการนําเสนอในแนวครอบคลุมเปิดการผู้ฟังบางท่านอาจจะรู้สึกว่ายากไปหรือ ง, ง่ายไปกระวันก่อนก็เปิดฟังก็เจอเจ้าคุณดัชกวีก็พูดอยู่ด้วยเราก็เปลูกศิษย์นะฮะไม่เนึกว่าเขาพูดอยู่ด้วยก็ดีก็มาคิดตรงกันจ็เมื่อหลายปีมาแล้วนะฮะหนึ่งเจ้าคุณรุมเดช ท, ท่านอธิบายเรื่องสรุปัญหา ที่ตึกสวตอนกลางคืนวันพระหลังวันพระามาอธิบายวันเสาร์ก็ไม่รู้ว่าไปตรงกันบกว่าไปตรงกันเลยเอตมาก็กําลังพูดเรื่องโซลรถปัญหาก็ตรงเทเรื่องโซลรถปัญหาก็คนทั้งสองกลุ่มก็ได้ฟังสองข่าวกดมาฟังสองข่าวก็ได้ฟังสองข่าวเป็นเรื่องที่ถ้าเราเข้าใจประเด็นตรงนี้ได้นะะ ต่อไปมันจะเรื่องง่ายขึ้นเพราะการทำความเข้าใจในแง่ที่จะอธิบายเนี่ยก็ใช้เวลายเยอะนะที่จะอธิบายศึกษาคนคว้าก็เรียกว่าตอนเราบวชใหม่ๆสิบปีเนี่ยเราไม่กล้าสอนเนี่ยปฏิจจตุบาตอธิบายไม่เป็นมันยากมากแม้ในการอธิบายไม่ได้พูดถึงการบรรลุหรอกไม่พูดถึงการรู้หรอกเรารู้ปฏิจจ ա ตุ บ, บาตก็เป็นพระยาบุคคลไปแล้ว ที่นี่ในแง่ทางวิชาการโดยสถานภาพอย่างที่บอกว่าธรรมะที่ปรากฏในประไตรปิฎดดกนั้นเนื้อหาจริงๆคือปฏิเวทสัจธรรมเพราะนั้นในตอนท้ายของพุทธสมัยพูดง่ายๆว่าก่อนพรเจ้าจะปริพันธ์เนี่ยพรเจ้าทรงแสดงหลักที่เราเรียกว่ามาประเทศคือข้อสอบทานเทียบเคียง จา ก, การศึกษาเรียนรู้จากแหล่งอะไรก็ตามเมื่อต้องการดูถูกหรือผิดเนี่ยให้นํามาเทียบเคียงกับพระธรรมวินัยคือประสูตรหรือพระวินัยนะฮะที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเอาไว้ถ้าลงกันสมกันเราก็ถือว่าใช้ได้ถ้าไม่ลงกันไม่สมกันแล้วก็ถือว่าใช้ไม่ได้วคนนั้นก็จะมาผิดเข้าใจผิดเพราะงั้นหลักธรรมเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจปฏิจจสมุปบาทได้ เวลาไปเจอในที่อื่นเนี่ยมันจะนึกได้นึกถึงโครงสร้างอริยสัจสี่นึกถึงโครงสร้างปฏิจจสมบัตบินึกถึงขันห้าตัวห ล, ลักๆเนี่ยเราจะนึกได้เพราะจริงมันแตกไปจากตรงนี้อย่างสัพ ป, ปะกิเลธทั้งหลายเนี่ยมันแตกไปจากโลกปลดหลงอนะ่ะความชั่วทั้งหลายเนี่ยสาวไปเถิดเราลองดูว่าตัว่านสมมติเราจะสาวเรื่องสมถามโลกครั้งที่สองเราสาวเรื่องอิสราเอลกับาเล็ไตน กับพวก อ, อ า, าราแต่ลองสาวดูสิมันจะไปเจอกินเลขอยู่เบื้องหลังจิตใจของคนอ ย, ยุคอดีตกานานไกลป็นพันพันปีนะฮะผ่านมาแล้วไม่ใช่วันสองวันไปอ่านประวัติศาสตร์ยุคโบราณแล้วก็จะเห็นว่าเออมันก็ถ่ายทอดสายเลือดของความมาคาดแค้นกันมาอย่างนั้นคือเรามองการสงครามโลกครั้งที่สองที่เกิดขึ้นด้วยฮิตเลอร์เนี่ย ทวิตเตอรคิดยังไงเนี่ยเราเห็นกิเลสทันทีได้เห็นสมุทัยทันทีเลยทุกมันเดเกิดแตกคลุมโลกอยู่เนี่ยแล้วก็เข้ากับความแตแกแยกจนทุกวันเนี่ยยังไม่หายเห็นไหมเหตุการณ์น่าตั้งนานแล้วอ่ะยังไม่หายความแตแกแยกด้านต่างๆจีนกับญี่ปุ่นเองก็ยังคุ้นคุกันอยู่เกาหลีนะกับจีนกับญี่ปุ่นกับอ่าฮ่องกงอะไรต่อะไรก็ยังขุดคุ้คกันอยู่มันก็เยอะนะฮะ เป็นผลพวงมาจากสงครามเท่านั้นแล้วถามสงครามเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากโลภะโทสะโมหะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างนี้เกับสงครามโอบครั้งที่สองเนี่ยจุดเริ่มต้นมันมาจากอิจฉาริกริษยาของนิดเลอร์ที่มีต่อจนชาติยิวแล้วก็ขยายผลออกมาเป็นนาซีเยอรมันก็ว่ากันมาเรื่อยเรเลยแล้วมันไปง่ายนะฮะกิเลสเนี่ยมันรับง่ายเราจะเห็นว่าการปลุกระดมเนี่ยจะเรียกคนมาได้ง่าย เพราะคนมีเชื้อกิเลสอยู่ในสต๊อกเยอะเลยในใจเนี่ยโดยเฉพาะบิหิงสากับฤทิ์สยามเนี่ยมันอยู่เยอะถ้าจุดไฟถูกแล้วเนี่ยทํางานได้ผลทุกข่าวเลยจุดไฟฤิ์สยากับจุดไฟวิหิงสาแล้วก็จะเกิดนันเหมือนกับเด็กเบียบเงาตสมัยเด็กๆ เ, เห็นไหมฮะคือจุดไฟวิหิงสากืบเบียดเบียนขึ้นมาดูสินั่นมันเยียบเงาเธอหนะ่เห็นไหมมันดูหมิ่นเธอนะ่ายุ่มันต่อยกันน ก็เรียกว่าอะไรนะเด็ดทางมดอากาศกันเป็นวิธีที่ต่อสู้กันมาเด็ดขาถ้าเราวิเคราะห์แล้วเออมันก็ปฏิจจสมบัติทั้งนั้นเนี่ยจะอยู่ในกรงล้อของอริยสัจสีด้วยกันทีนี้วันนี้ก็อยากจะตั้งข้อสังเกตนะฮะมีประเด็นที่ควรสังเกตที่เกี่ยวกับปฏิจจสมบาทหลายเรื่องด้วยกันประเด็นแรกก็คือว่า การปฏิบัติเพื่อการเกิดขึ้นของอวิชชาเป็นต้นเนี่ยจะเป็นมิจฉาปฏิปทาคือการปฏิบัติผิดตัวการปฏิบัติผิดเนี่ยมันดูง่ายนะฮะว่าผลกระทบจากการปฏิบัติโดยการพูดก็ตามโดยการทําก็ตามโดยการคิดก็ตามตรงนี้มันเริ่มที่คิดนะเริ่มที่คิดผิดพอคิดผิดก็พูดผิดทำผิดพู้ผิดทําผิดก็เบียดเบียนตัวเองเบียเบีนบุคคลอื่นเดือดร้อนนะฮะบางครั้งบกกลายเป็นการสะโครนใส่กัน ในกรณีของศึกสงครามต่างๆเนี่ยเราสังเกตว่ามันเพิ่มมิชฉาแต่มันก็แสดงว่าเป็นความเห็นผิดเห็นผิดก็คิดผิดคิดผิดก็ทําผิดทําผิดก็พูดผิดไปกันเป็นแถวเลยมันที่จริงมันเริ่มมาจากความความเห็นผิดว่ามิจฉาทิฐิอย่างเดียวเนี่ยเรียกว่ามิจฉาทิฐิบุคคลเกิดขึ้นในโลกเป็นคนเดียวเนี่ยมันป่วนโลกได้นะ โลกมันจะหาความสงบได้ยากถ้าว่ามีคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิครับบางเกิดขึ้นเนี่ยดังนั้นส่วนการปฏิบัติเพื่อการดับแผงอวิชาก็เป็นสัมมาปฏิปทาคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเช่นบางทีเนี่ยมันคิดง่ายๆอะ่ะแต่ว่าคนไม่คิดเองแล้วก็บางครั้งบางคราวเราก็เจอปัญหาเหล่านี้ซ้ำๆ ซ, ำ ซ, ำ ซ, กซากๆ พกันแล้วก็เตือนก็นแล้วให้สติก็แล้วก็แก้ปัญหาไรไม่ได้พวกนี้ไม่มีความคิดไม่ยอมคิดไม่เรียกว่าไม่มีหัวคิดบางคนเนี่ยรายได้มีรายได้พอได้สต่างไปเชี่ยวไปกินไปดื่มเหล้าไปสนุกสนานนะเสร็จแล้วก็เดือดร้อนก็ไปรบกวนคนอื่นนั่นคือมิจฉาปฏิปทาคือเริ่มจากปฏิบัติ ที่ยึดมันแล้วอคิดผิดนะอย่ปฏิบัติผิดเนี่ยทีนี้ถ้าการกระทําอะไรก็ตามที่เป็นการดับอวิชาอย่างที่บอกว่าโลกเนี่ยมันมีเป็นความจริงสองด้านคือเป็นทวีภาวะคือด้านมืดกับด้านสวาน่างด้านมืดเนี่ยสรุปรวมว่ามันมาจากขวิชาคือเป็นความมืดด้านสว่างก็มาจากาวิชาคือแสงสวา่างเพราะมืดเนี่ยเราจึงโลภเพราะมืดเนี่ยเราจึงโกรธเพราะมืดเนี่เราจึงหลง แต่ถ้าเราเริ่มสว่างขึ้นมาสว่างขึ้นมาจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าความคิดระดับศีลมันเป็นความคิดระดับใจเข้าใจเราะระดับอัตตาหนังอุปมังกาวะ่า ก, ก, ก, ก, กัตวาเคยทําตนเป็นรูปมาเทียบเคียงเขาก็รักชีวิตเราก็รักชีวิตแต่ไม่ใช่คิดเขารักชีวิต่คิดว่าเราก็รักชีวิตก่อน ชีวิตของเราเราก็รักชีวิตของเขาเขาก็รักเราก็สำรวมระวังไม่ละเมิดสิทธิในชีวิตของเขาก็กลายเป็นสีนะ่ะพอกลับมาตรงนี้ก็กลายเป็นสัมมาปฏิปทาแล้วเป็นการไม่เบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นให้เดือดร้อนถ้าคิดเทียบเคียงกับการขับรถก็คือขรถกฎจราจรมันไม่ถึงกับ ไปช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรกันหรอกแต่ว่าไม่สร้างปัญหาให้แก่กันอะไรกันโลกขอเพียงแค่นี้นะะก็ดีเยอะแล้วแต่ที่มันบุ้นเนี่ยคือเราไปล่วงละเมิดสิทธิสิทธิของกันอะไกันแต่าบางครั้งบางคราวเนี่ยมันก็แสดงความเห็นแก่ตัวแล้วก็พยายามที่จะอธิบายนะอย่างที่ก็ต่อสู้เรื่องพระราชบัญญัติการเลือกตั้งเนี่ยหลายข้อที่ว่า พวกที่สมัครเป็นเป็นเขตเขตเดียวคนเดียวเนี่ยะเมื่อต้องการมาเป็นรัฐมนตรีแล้วก็ต้องเลือกตั้งซ่อมใหม่เนี่ยต้องเสียค่าเลือกตั้งสู้กันอุตลุดแล้วก็ต่างฝ่ายต่างอธิบายต่างฝ่ายต่างอธิบายแล้วความแล้วก็ให้สมเหตุสมผลนะฮะแต่เราลองนึกดูว่าแสดงความเห็นแก่ตัวหรือเปล่าเพราะมันมีบัญชีรายชื่อนะฮะ สมัครเกิดบตั้งร้อยั้งร้อยคนน่ะทําไมเธอไม่ชูคณะรัฐดนตรีให้ทั้งคมก็ตัดสินนะก็ขึ้นไปอยู่ในบัญชีตรงนั้นถ้าสังคมก็ยอมรับเนี่ยเป็นรัฐดนตรีของประเทศ่ให้ราษฎรยอมรับทางประเทศก็ถ้าเราคิดเนี่ยเราจะเห็นว่าเออเรากับกลางๆเนี่ยมันก็ถ้าให้ยุติธรรมแล้วเนี่ยโครงสร้างอย่างนี้เป็นโครงสร้างปฏิรูปอะ มันโครงสร้างปฏิรูปมันต้องยอมปฏิรูปจะไปรูปมันต้องเฉือนเนื้อตัวเองบ้างนะการไปรูปแม้แตปฏิรูปไม่ได้หล้วปฏิรูปมันคือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัดต่อเพิ่มเติมปรับปรุงเออ่มันไม่ถึงกับปฏิวัติลักษณะของการปฏิรูปเนี่ยคือส่วนหนึ่งก็ดีอยู่แล้วแต่ดูแก้ไขส่วนบกพร่องอาจจะตัดต่อเพิ่มเติมปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ให้เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะลักษณะปฏิรูปมันไม่ใช่อยู่นิ่งนั่นก็คือมันเกิดจากความคิดเอาตัวเองเป็นศูนย์เอาชาติบ้านเมืองเป็นศูนย์ถ้าคิดถึงผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเนี่ยมันก็ต้องมองว่าชาติบ้านเมืองจะได้อะไรชาติบ้านเมืองจะเสียอะไรถือว่าตัวเองมีศักยภาพมาก รวมถึงต้องบริหารบ้านเมืองไม่งั้นบริหารบ้านเมืองบ้านเมืองร่มจมหรือก็ทั้งนั้นก็ไปอยู่ในบัญทีรายชื่อเสียแต่แม้มันมันมั น, ม, น, ม, นมันมีวิธีที่จะมองได้ตั้งหลายอย่างแล้วก็มองโดยเราไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยก็จะเห็นว่าที่ตอ่อสู้ชี้วุฒิเต่อสู้ในชักจะข้าทีก็เป็นเรื่องที่แล้วแต่ใครจะคิดแต่นะแต่ต้องการพิสูจน์เรื่องสัมมาปฏิบัตปทากับมิจฉาปฏิปทาเนี่ย มันอยู่ที่ระบบความคิดเพราะมีวิชามากแล้วมีวิชามากมีเหตุผลมากพ่อไม้แล้วก็มองกระจายตัวเครื่องมือในการประสิทธิ์วิธีฉัยเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเรามองภาพใหญ่ภาพใหญ่ในการประสิทธิ์วิธีฉัยเช่นสมมติว่าโครงสร้างแม่บทของการทํางานของพระสงฆ์ พระสูงนั้นที่จริงก็เป็นคณะบุคคลที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นเป็นการหลอมละลายวันณนต่างๆหลอมละลายตลอดถึงชาติพบนะฮะจะในขณะเดียวกันเมื่อถ้ามีชีวิตอยู่เนี่ยต้องการแนวสัมมาปฏิปทาเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ในขั้นแรกก็คือปฏิบัติพัฒนาตัวเองให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะทํางานเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อสังคมและต่อจากนั้นก็ให้ไปสั่งสอนประชาชนสั่งสอนใครสั่งสอนอะไรสั่งสอนอย่างไรสั่งสอนเพื่ออะไรสั่งสอนไปแล้วเนี่ยเขาจะรับประโยชน์อะไรเราไม่ได้คิดเราจะได้ประโยชน์อะไร แต่คิดเราจะให้อะไรแกชาติเันเหมือนคล้ายๆกับที่ท่านมาตมคันธีพูดนะมาตมคันธีบอกว่าชาวอินเดียลูกอินเดียเนี่ยควรจะถามตัวเองว่าเราจะให้อะไรแกอินเดียแทนที่จะถามว่าอินเดียจะให้อะไรแกเรา มันเป็นชีวิตระดับอุดมการณ์นะสมาปฏิปทาเนี่ยมันมันขับเคลื่อนชีวิตเข้าสู่อุดมการณ์แต่นี่ฐานสาคัญในการคิดตอนต้นเนี่ยเพราะว่าโลกกับชีวิตนี่มันสรุปแล้วมันก็คือมีสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตเราเองเป็นสิ่งมีชีวิตแต่ทรัพย์สินเป็นอันมากที่ของเราก็คือสิ่งที่ไม่มีชีวิต แต่ว่าชอนั้นเป็นทั้งมีชีวิตไม่มีชีวิตนะฮว่าในการการปรับวิ ช, ชาเนี่ยพัฒนาวิ ช, ชาคือตัวความรู้เนี่ยมันขจัดโมหะความหลงความงมงายความร้เหตุผลต่างๆออกไปจะทํำยังไงว่าให้มองชีวิตด้วยความเป็นมิตรมองสิ่งไม่มีชีวิตด้วยการเคารพศีลเคารพศีลที่ก้องกันได้กัน มันก็ปรากฏเป็นหลักการในการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขไม่มีการเบียดเบียนประทุสรายการลดปหัหาอยากรรมลดปหัหาความรุนแรงต่างๆออกไปได้ไมาและวิถีชีวิตคนก็เดินไปแนวของสมาปฏิปทาคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทีนี้ในความเป็นปฏิจจสมบาติเนี่ยเป็นทวัจต์ ที่เป็นเเป็นผลเกี่ยวเนื่องถึงกับชาติก่อนชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าเราอย่าลืมนะฮะว่าบางทีเวลาเนี้ยคนก็พูดโอ้พระพุทธเจ้าไม่แสดงเลไม่แสดงอย่างไงนะฮะเลยจะเห็นว่าบุพเพในวาสานติยานเนี่ยลึกชาติก่อนย้อนไปเป็นกับเหมือนกันเนี่ยเราตัดทั้งสามชาติ ตัตรงไหนก็ชุดหนึ่งเอามาสามชาติเลยล้วจะเห็นว่าชาติตรงกลางในชาติที่สองเนี่ยก็เป็นชาติปัจจุบันชาติต่อมาก็เป็นชาติอนาคตชาติก่อนชาติอีกด้านหนึ่งก็เป็นชาติอดีตมันมันนไม่มีอะไรเราลองมาตัดตัดัดทีละสามสามสาามสมเราจะเห็นว่าอดีตอนาคตปัจจุบันอดีตอนาคตปัจจุบันอดีตอนาคตปัจจุบันแล้วก็ตัวปัจจุบันนั่นเองนะขึ้นอยู่กับว่าจับคู่กับใครล่ะ ถ้าจับคู่กับอนาคตเขาก็เป็นอดีตถ้าจับคู่กับอดีตเขาก็เป็นปัจจุบันทีนี้ตัวอดีตเองก็เหมือนกันถ้าจับคู่กับปัจจุบันเขาก็เป็นอดีตถ้าจับคู่กับอดีตก่อนหน้านั้นเขาก็เป็นปัจจุบันก็สรุปว่าแต่ละจุดเนี่ยมันเป็นทั้งอดีตเป็นทั้งอนาคตเป็นทั้งปัจจุบันแต่ว่าอยู่ในช่วงไหนเป็นอดีตช่วงไหนเป็นอนาคตช่วงไหนในปัจจุบัน อย่างเราอาจจะเรียงประชาติของพระพุทธเจ้าในสมัยเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยเราจะเอาชาติใครล่ะเอาชาติไหนล่ะชาติเป็นเจ้าชายทิตตถะซึ่งถือว่าชาติปัจจุบันบัญชาติสันตุสิทิเทพบุตรก็เป็นอดีตของชาติที่เป็นเจ้าชายทิตตถะและชาติที่เป็นสันตุสิทธิเทพบุตรนั่นเองเป็นอนาคตของชาติที่เป็นพระเวสสันดร แล้วก็ชาติที่เป็นพระเวสสันดรนั่นเองก็เป็นอดีตชาติของที่เป็นสันดุสิทธิเทพบุตรเพราะนั้นจึงเป็นอดีตชาติของชาติที่เป็นเดวชาติตาธาด้วยมันก็มีอดีตอนาคตปัจจุบันด้วยและภาวะจักรองนี้มันมันมันก็คิดไปได้เรื่อยๆนะฮะก็ตัดต่อไปได้เรื่อยๆอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าถ้าเราไม่ตัดตอนแล้วเนี่ยมันจะพูดกันมั่วไปหมดเลยแต่ตัดตอนนี้จะเชื่อมโยงได้ตลอด มันก็เหมือนกระไก่ลูกไก่กับแม่ไก่ว่าใครเกิดก่อนเดี๋ยวเราชอบพูดกันนะที่จริงถ้าตัดตอนแล้วเนี่ยมันก็พูดได้แต่อย่าลืมถึงกระบวนการที่ต่อเนื่องทีนี้ถ้าถามว่าเราพูดว่าแม่ไก่แม่ไก่กําลังไข่ออกมาถามว่าไก่กระไข่อะไรเกิดก่อนก็บอกว่าไก่เกิดก่อนเจ้าพ่อพูดเนี่ยทีนี้ตัวแม่ไก่เองกระไข่ที่ออกที่แม่ไก่ออกมาเนี่ยไข่ใบนั้นก็เกิดก่อนแม่ไก่ตัวนั้น แต่อย่าลืมว่าไอ้ไข่ใบนั้นมันมาจากแม่ไก่ด้วยเพราะไม่ไข่ใบนั้นมันก็เป็นผลมาจากแม่ไก่อีกตัวหนึง่งมันก็ทยอยกันเป็นอย่างเนี้ยเพร้อนกายเป็นพวกภาวะจักไปทั้งหมดเลยเรยจะเห็นว่ามีอดีตอนาคตปัจจุบันอดีตอนาคตปัจจุบันก็คือกิเลสกรรมวิบากก็หมุนหนุนเรื่องกันไปเรื่อยๆทีนี้ชาติพบตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่สําคัญว่าชาติอดีตเนี่ยเราไม่รู้ เพราะมันเป็นอวิชชาสำหรับเราชาติอนาคตเราก็ไม่รู้นะ่ะเป็นอวิชชาสําหรับเราแต่ทํายังไงเราจะปรับปรุงดิชาติปัจจุบันเพราะชาติปัจจุบันต้องพยายามเพิ่มวิจาย ห, หน้าและยันเลวนะว่าปัจจุบันวันนี้ยวันนี้เดือนนี้ปีนี้ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นวันหน้าเดือนหน้าปีหน้ามันก็เป็นอดีตทีนี้ไอ้สิ่งที่มาเนี่ยที่มาอยู่ในปัจจุบันเนี่ยที่มันมาจากอนาคตมันก็ให้ความหวังแก่เรา อนาคตถ้าไม่มาก็คือไม่มาถ้ามาเนี่ยเราจะสามารถใช้ให้มันเกิดประโยชน์ก็กลายเป็นอนดีตที่สร้างความเบิกบานใจสร้างความเชื่อมัน่นสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตัวเองอนาคตก็เป็นความหวังปัจจุบันก็กลายเป็นความมุ่งมั่นที่จะเก็บเกี่ยวตักตวงสาระประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นได้การมองภาวจากักะจึงเป็นการมองอย่างมีความรับผิดชอบ เพราะเราก็อดีตของเรานั้นมันมั น, ม, นมันนอกจากว่ามีผลกระทบต่อ่อพบชาติของเราแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบต่อลูกหลานบงวานว่านเครือเนื้อหนอของเราที่อยู่ข้างหลังด้วยนะเพราะลูกหลานของวีรชนในอดีตดูกับบุคคลในปัจจุบันที่เขาสำนึกเห็นคุณค่าของวีรชนในอดีตลูกหลานเหล่านั้นก็ได้สถานะการยอมรับนับถือจากบุคคลในปัจจุบัน เขาก็อยู่ดีมีสุขในปัจจุบันก็กลายเป็นมรดกมรดกบุญนะฮะมรดกของความดีงามทั้งหลายแต่ทีนี้ถ้าหากว่าคนรุ่นรุ่นก่อนทําปัจจุบันไว้ไม่ดีแล้วปัจจุบันมันก็ไหลไปเป็นอดีตนะไหลไปเป็นอดีต ท, ทุกขณะเนี่ยเพราะอดีตอนาคตปัจจุบันถ้าลองจับวินาทีสามวินาทีมันก็มีอดีตอนาคตปัจจุบันอยู่ตรงนั้นแนหะ แต่พอเป็นอนดีตแล้วก็จบสิ้นกันคือเราตามไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วก็พยายามรับผิดชอบในปัจจุบันพระพุทธศาสนาจึงเป็นาศาสนาที่เน้นปัจจุบันแต่ว่ายอมรับความมีอยู่ของอดีตเพียงแต่ว่าเราไปแก้ไขไม่ได้เราก็ใช้อดีตในฐานะที่เป็นครูเป็นอุปกรณ์ในการศึกษาเรียนรู้เ อ, อก็มีดีมีไม่ดี ดีก็ศึกษาเพื่อจะทําต่อไปไม่ดีก็เกิดความหลับจําที่จะงดเว้นไม่ประพฤติไม่กระทํา่อไปก็ฉลาดคิดฉลาดทำสามารถที่จะหาประโยชน์จากเรื่องเหล่านั้นได้แนวภาวะจักเนี่ยประการสําคัญว่ามีอวิชชาเนี่ยกับตัณหาเป็นมูลอดีเหตุมีอวิชชาเป็นมูลปัจจุบันเหตุมีตัณหาเป็นมูลแต่อวิชชาเป็นมูลในอดีตในเราก็ไปแก้ไขอะไรก็ไม่ได้อนะ แล้วก็มาลดตัณหาในปัจจุบันเนี่ยตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยอารมณ์ที่เราสัมผัสในแต่ละขณะเนี่ยเพราะว่าสายนิโรธวานกัะสายสมุทัยวานในมหาสถิปัตฐานพระเจ้าทรงแสดงเนี่ยทรงแสดงถึงตัณหาที่เกิดขึ้นทางอายตนะแต่ยิ่งเกิดหลายตอนนะฮะแต่เราพูดเฉพาะตอนอายตนะเนี่ยเราจะเห็นว่าตัณหาในรูปในเชื้อในกลิ่นในรสในผัสสะในธรรมอารมณ์มันก็มีโยหกกลุ่มด้านเองที่มันเกิดตัณหาเนี่ย ทำยังไงจะบรรเทาตัณหาใช่บ้างอย่าอยากได้อยากมีอยากเป็นมากเกินไปจะ่อยากทำไม่มากมากอยากประพฤติปฏิบัติได้มากมากนะไม่ใช่อย่างที่เขาพูดกันว่าอะไรละ่ะข้าราชการบางพวกเนี่ยตั้งแต่แถวอะไรแถวเดือนมิถุนากระดานนะมิถุน า, นะนากระดาสิงหากัญญา สอสามเดือนเนี่ยวิ่งเต้นเรื่องจะขอโยกย้ายขอตำแหน่งขอเลื่อนชั้นเงินเดือนอย่างนั้นขอแต่จะเป็นนั่นเองอ่ะไม่ได้มองว่าตัวเองทำอะไรให้แกชาติบ้านเมืองได้วิ่งจกจกจกจกเอาเวลาราชการไปวิ่งหาผลประโยชน์เพื่อตัวเองแต่แม้แต่พระเองเนี่ยเขาก็ดินทากันแดงขั้นเพราใช้เวลาวิ่งเต้นที่หาสมารสห า, าพรอบครหาผลประโยชน์ข้าหาผู้ใหญ่ไปจบไปแจงใะเยอะเลยเราบวชมาเพื่อเป็นพระหรือเป็นเจ้าคุณ ระบบมาเป็นพระที่จริงก็พยายามทําหน้าที่ของพระไปเขาให้เป็นก็เป็นเป็นให้ได้เป็นให้ดีเป็นให้เป็นเขาไม่ให้เป็นก็คือเป็นพระให้ได้เป็นให้ดีแล้วก็เป็นให้เป็นเป็นพระได้สําคัญที่สุดนะเป็นพระออกจากโอดพระพุทธเจ้านะเป็นอย่างอื่นไม่ใจออกจากโอดพระพุทธเจ้าร้อนพยายามเป็นให้ได้โดยการศึกษาโดยการปฏิบัติโดยการเผยแผ่โดยการดูแลรักษาศาสนาเอาปัจจุบันให้ดี การให้ของคนอื่นนั้นมันไม่เป็นบุญเป็นบาปอะไรหรอกแต่การทําของเราเนี่ยมันเป็นบุญเป็นบาปแล้วเป็นสมบัติติดตัวจริงๆนะฮะเป็นสมบัติติดตัวจริงๆสิ่งเหล่านั้นถ้าจะเป็นก็เป็นแค่ปัจจัยเสริมมันมีความสํานึ ก, กว่าเออท่านมอบหมายมาให้รับภารตุระรับธุระรพระพุทธศาสนาเป็นภาระสั่งสอนช่วยระงัปฏิกรอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในพระอารามโดยควรเลยก็ มีความมั่งคั่นขยนันจริงจังในกาทำงานมากยิ่งขึ้นมันก็เป็นปัจจัยเสริมให้ได้เพิ่มพูนความดีขึ้นไปตามลำดับได้เท่านั้นเองท้องฝั่งทั้งหลายแต่โลกปวงจิตญานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่า น, นี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง่องามไปบณ์ในธรรมจุมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี